จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ส2สองมิถุนายนพุทธศักราช25 5พ ห, หเจเป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรมวันทรร ม, รรมบุญ วันละบาววันจำระใจให้สะอาดโดยสุ์ถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นวันที่ต้องเติมน้ำเติมลมเติมน้ำมันทำความสะอาดํำระความสกปรกของรถยนต์ให้สะอาดถ้าเป็นคนก็ต้อง รับประทานอาหารพักพอนหลับนอนอาบน้ำอาบท่าซักเสือ้อซักผ้าให้สะอาดนี่คือชีวิตของโวกเราเป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนคนขัรถต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถพาชีวิตของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญความสุขความเจริญของชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญเม่ได้เจริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เป็นความเจริญทางจิตใจเป็นความสุขทางจิตใจดังนั้นเวลาที่เราทําบุญล่างบา ทำเล่าใจให้สาแล้วเราไม่ร่ำรวยขึ้นเราไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นเราไม่มีคนยกย่องสรรเสริญมากขึ้นเราไม่มีความสุขทางตาหูจมูกวิ่งกายก็อย่าไปโทษว่าทำบุญแล้วไม่ได้ผลเพราะผลของการทำบุญนั้นอยู่ภายในใจ ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่าลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงเก่งลดโภาพแต่อยู่ที่ใจใจของเรานี่แหละที่จะเป็นอะไรต่างๆต่อไปตอนนี้ใจของเราเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะพัฒนา จเจริญขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมก็จะไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆขั้นโสดา บ, บันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้านี่แหละคือความจเจริญที่แท้จริง คือความสุขที่แท้จริงเพราะขั้นต่างๆเหล่านี้จะมีความสุขแตกต่างกันไปขั้นเทพก็จะมีความสุขกว่าขั้นของมนุษย์ขั้นพรหมก็จะมีความสุขมากกว่าขั้นของของเทพขั้นอริยเจ้าก็จะมีความสุขมากกว่าขั้นของพรหม แล้วก็จะเป็นความสุขที่ถาวรด้วยความสุขของขั้นมนุษย์ขั้นเทพขั้นพรมนี้เป็นความสุขชั่วคราวมีเจริญและมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ความสุขระดับของพะอร ะ, พะอริยบุคคลพระอริยเจ้านี้ไม่มีเสื่อมมีแต่จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นของพระพุทธเจา้าและขั้นของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี่แหละคือเป้าหมายของการดำเนินชีวิตของพวกเราอยู่ที่การพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนมีความสุข เต็มที่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพวกเราใจของพวกเรานี้ไม่มีวันตายแต่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกับสิ่งที่มีวันตายก็คือร่างกายใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่ได้ร่างกายมาเป็นตัวแทน ก็เลยต้องแก่เจ็บตายไปกับร่างกายทั้งๆ ท, ที่ใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่เพราะความหลงความไม่รู้พอได้ร่างกายมาก็มาคิดว่าเป็นตัวตนของตนและเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ทั้งทงที่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยแต่ขาดความรู้ต้องมาเจอกับพระพุทธศาสนามาเจอกับพระพุทธเจา้าเจอกับพระอาหารหันตสาวกท่านจะได้บอกเราให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจนี้เป็นมนุษย์ล่องฝน คือไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าไม่มีตาเป็นเหมือนความว่างที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำลายได้ความว่างนี้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทำลายไม่ได้ต่อให้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงไปที่ความว่างร้อยลูกพันลูกความว่างก็ยังจะอยู่เหมือนเดิ ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนความว่างต่างกับความว่างตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดที่เรามีความรู้สึกนึกคิดอยู่นี้ไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากใจใจที่มาเอาร่างกายเป็นหุ่นเชิดแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆใจใช้ร่างกายไว้ดูรูปไว้ฟังเสียงไว้ดมกลิ่นไว้ลิ้มรสไว้สัมผัสกับความรู้สึกทางร่างกายเช่นร้อนหนาวแข็งนิ่มอย่างนี้เป็นเรื่องของร่างกายแต่ผู้ที่รับรู้ข้อมูลเหล่านี้คือใจ เวลาตาสัมผัสกับรูปก็ส่งไปให้ที่ใจใจก็รับรู้ว่าอตอนนี้มีรูปให้ดูแล้วอพอได้ยินเสียงก็ส่งไปที่ใจใจก็รับรู้ใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้ไม่ใช่ร่างกายถ้าร่างกายไม่มีใจแล้วร่างกายก็จะไม่รับรู้อะไรเช่นคนตายคนตายนี่ จะไปพูดอย่างไรก็ไม่ได้ยินร่างกายไม่ได้ยินไม่ได้รู้ว่ากำลังพูดอะไรอะเอาเข็มไปทิ่มไปแทงร่างกายร่างกายก็ไม่รู้ว่ามีเข็มมาทิ่มมาแทงร่างกายเพราะไม่มีผู้รู้มารับรู้แล้วผู้รู้ได้แยกออกจากร่างกายไปไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้ต่อไป นี่คือใจที่พวกเราอยู่กับใจนี้มาตลอดไปกับใจไปสุขไปทุกข์กับใจอยู่ที่บุญที่บาปเลาที่เราทำกันถ้าทำบุญก็จะมีความสุขพบชาติก็จะดีเช่นวันนี้มาทำบุญมาละบาปตายไปก็จะไปเป็นเทพ แต่เป็นเทพได้สักพักหนึ่งก็หมดบุญเหมือนกับรถยนต์เติมน้ำมันแล้วมันก็เต็มถังพอขับไปได้สักระยะหนึ่งน้ำมันก็หมดน้ำมันหมดก็ต้องกลับไปที่สถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่เราทำบุญละบาไม่ทำบาพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปเป็นเทพ เพอบุญที่ทำให้เราเป็นเทพมันหมดไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมบุญใหม่เติมได้มากเติมได้น้อยก็จะพาให้เราขึ้นไปสูงหรือต่ำถ้าเติมน้อยก็ขึ้นไปแค่ระดับเทพถ้าเติมมากก็จะขึ้นไประดับพรหมระดับพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทพเน่าจากการทำบุญและละบาปแล้วเราก็ต้องมาชำระใจชำระอะไรชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจของเราขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพไม่ได้อยากจะขึ้นไปสูงกว่าชั้นเทพต้องทำ ความโลภความโกรธความหลงให้หายไปให้ได้วิธีที่ทำให้หายไปก็มีสองวิธีวิธีแรกเรียกว่าสมาธิวิธีที่สองเรียกว่าปัญญาถ้าทำได้วิธีแรกคือนั่งหลับตาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะหายไปชั่วคราว แต่จะไม่หายไปอย่างถาวรพอออกจากสมาธิมาความโลภความโกรธความหลงก็จะฟื้นกลับคืนขึ้นมาผู้ที่ได้สมาธิก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่พอบุญของสวรรค์ชั้นพรหมหมดไปก็จะเสื่อมลงมาเป็นเท แลจากเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ต่อไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกินการขึ้นขึ้นลงลงในสุขติในภพที่ดีของผู้ที่ได้ทำบุญได้ละบาได้ทำใจให้สงบจะได้ผลอย่างนี้แต่ยังไม่เป็นผลที่ถาวรเป็นผลชั่วคราว ได้ไปเป็นเทพก็ชั่วคราวได้ไปเป็นพรหมก็ชั่วคราวพอบุญหมดก็ต้องกลับมาเติมบุญใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญมาละบาป ม, มานั่งสมาธิใหม่ก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิน้นถ้าอยากจะขึ้นแล้วไม่ลงก็ต้องปฏิบัติ การชำระใจขั้นที่สองคือการใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี่ก็เป็นเหมือนกับการซักผ้าถ้าเราซักผ้าด้วยน้ำเปล่าคราบสกรปรกนี้จะไม่ออกไปหมดเพราะว่าน้ำไม่มีกำลังที่จะซักฟอกคราบสกรปรกให้ออกจากเสื้อผ้าไปได้หมดสมาธิก็เช่นเดียวกันไม่มีกำลังที่จะฆ่า ความโลภความโกรธความหลงให้ตายไปหมดเพียงแต่ทำให้มันสลบไปชั่วคราวเท่านั้นถ้าเป็นชกมวยก็ทำให้นับแปดแต่ไม่นับสิบพอคู่ต่อสู้ล้มลงไปกรรมการมานับพอนับถึง8ปเขาก็ฟื้นขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ต่อถ้าอยากจะให้นับสิบนี่ต้องใช้ปัญญา เพราะหมัดของปัญญานี่หนักกว่าหมัดของสมาธิปัญญานี่จะทําให้ล้มเราไม่ลุกเลยไม่มีวันฟื้นเลยถ้าอยากจะไม่ให้จิตเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรมจากสวรรค์พระอริยเจ้าต้องใช้ปัญญาปัญญานี่จะยกระดับจิตให้ขึ้นจากชั้นพรมขึ้นไปสู่ชั้นโสดาบัน ชั้นสกิดาคามีชั้นอนาคามีและชั้นอรหันต์ตามลำดับปัญญานี้คืออะไรปัญหาปัญญาก็คือความรู้ที่จะมาแก้ความหลงนั่นเองความหลงนี้ทำให้โลภทำให้โกรธเวลาโลภอยากได้อะไรพอไม่ได้ดังใจก็จะโกรธความโลภ ก, ก็เกิดจากความหลง ที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรน่าโลภของทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าโลภแต่ความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าน่าโลภน่าอยากได้อยากได้ทรัพย์อยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ลูกเสียงกินโลดโผฏฐะมาให้ความสุขกับตนแต่ความหลงมองไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว เป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปความสุขก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะมาแทนที่เช่นเวลาอยากได้แฟนพอได้แฟนก็มีความสุขพอแฟนจากไปทีนี้ความสุขก็หายไปเหลือความทุกข์มาเช่นเดียวกับเงินทองเวลาได้เงินทองมาก็ดีอกดีใจมีความสุข พอเงินทองหายไปก็มีความทุกข์ตามมาเวลาได้ตําแหน่งใหญ่โตก็ดีอกดีใจพอสูญเสียตําแหน่งไปก็เสียอกเสียใจนี่คือความหลงมองไม่เห็นส่วนส่วนที่เสียมองเห็นแต่ส่วนที่ได้เห็นส่วนที่ดีแต่ไม่เห็นส่วนที่ไม่ดี ส่วนที่เสียส่วนที่จะหมดไปถึงต้องใช้ปัญญามาสอนใจพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราคิดถึงความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไม่มีใครที่จะอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุขไปได้ตลอดเวลา มันจะต้องมีวันเสือเเส่อมจากเราไปไม่เสื่อมจากเราไปเราก็เสื่อมจากเขาไปเช่นเวลาที่แกเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ตายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากาสลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสโล ถ, ถัภวได้นี่คือปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่อย ว่ามีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสืยย่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์อย่าไปหลงยดติดกับลาบยศสรรเสริญสุขเพราะว่าพระถ้ามีแล้วก็ต้องทุกข์อย่างแน่นอนถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีอย่าไปโลภอยากมีเลาะลาบอยากมียศอยากมี สรรเสริญอยากมีสุขให้อยู่ตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมมีมากมีน้อยก็อยู่กับมันไปแต่อยู่แบบไม่ยุดไม่ติดพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปชีวิตของเรามันก็มีไม่กี่ปีพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ต้องจากมันไป ต้องอย่าไปยึดอย่าไปถือว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมาจากอาหารอาหารมันมาจากอะไรถ้าไม่มาจากดินน้ำลมไฟน้ำที่เราเดื่มนี้มันไม่ได้เป็นน้ำหรือเป็นอะไรลมที่เราหายใจเข้าไปมันเป็นอะไรนี่แหละเรานีดินน้ำลมไฟเข้ามา หล่อเลี้ยงร่างกายมาสร้างร่างกายทําให้ร่างกายนี้มีอาการสามสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตมีถังผื่มีลำไส้ใหญ่ลาไส้น้อยมีอาหารใหม่อาหารเก่า มีเยื่อสมองศีรษะแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คือดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันให้เป็นอาการส2สองใจเรามาครอบครอง ขณะที่ก่อตัวในท้องของแม่พอออกมาก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเป็นร่างกายไปเหมือนกับเราเวลาเราขึ้นรถขับรถเรารู้ว่ารถกับเรานี่เป็นคนละส่วนกันคนขับรถกับรถนี้เป็นคนละส่วนกันฉันใดใจก็เป็นเหมือนคนขับรถมาขับรถตั้งแต่เริ่มตั้งผลิต รถขึ้นมาอยู่ในท้องไปนั่งรอให้รถประกอบให้เสร็จพอรถประกอบครบอาการสาสิบสองก็ขับออกมาจากท้องแม่แต่ลืมไปว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายพอออกมาพอร่างกายออกมาก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเพราะตัวเองไม่มีรูปไม่มีร่างนั่นเองใจไม่มีรูปไม่มีร่าง พอได้ร่างกายก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายเป็นเราขึ้นมานี่คือความหลงเราจึงต้องอาศัยปัญญามาสอนใจให้เราอย่าไปหลงให้เรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ใจนี้เป็นเหมือนคนขับใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้มาวัดได้เพราะอะไร พราะใจสั่งใช่ไหมใจต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าวันนี้เป็นวันพระต้องมาทำบุญต้องมาวัดพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายเตรียมตัวเต่นขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเตรียมข้าวเตรียมของแล้วก็ออกเดินทางมาวัดเนี่ยร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเหมือนกับรถยนต์ที่รับคำสั่งจากคนขับรถ คนขับรถกับรถยนต์เป็นคนละส่วนกันฉันใดใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็เป็นคนละส่วนกันแต่ใจลืมไปหรือหลงไปไปคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยมาวุ่นวายมาเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บก็เดือดร้อนเวลาร่างกายหิวก็เดือดร้อน เวลาร่างกายต้องไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นก็เดือดร้อนทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยถึงเวลาที่ร่างกายตายไปก็เดือดร้อนวุ่นวายทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยนี่คือความหลงทำให้เกิดความกลัวเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาทำให้ใจ ต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะหนีปัญหาของร่างกายเพื่อที่จะแก้ปัญหาของร่างกายแต่แก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้เพราะร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันต้องหิวมันต้องสัมผัสกับความสุขความทุกข์ต่างๆถ้าใจรู้ทัน ใจก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไปยุ่งกับร่างกายเหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นจะเป็นอะไรเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยคนอื่นจะเจ็บเราก็เฉยได้คนอื่นจะหิวเราก็เฉยได้คนอื่นจะตายเราก็เฉยได้เพราะเราไม่ไปหลงคิดว่าเขาเป็นเราแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักคนที่เราชอบ คนที่เรายึดติดเวลาเขาเป็นอะไรเราก็ไปทุกข์กับเขาได้เ <c oughs> ช่นเวลาแฟนเป็นอะไรไปก็ตื่นเต้นตกใจแฟนตายไปก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ใช่เป็นเราเสียหน่อยแต่ใจของเราไปยึดไปติดกับเขาเลยต้องไปทุกข์กับเขาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ เราไม่อยากจะให้ใจของเราไปต่ำไปเป็นเดระชานไปเป็นเปรตไปตกนรกเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ทันความหลงพอรู้ทันความหลงแล้วก็จะไม่โลภเวลาไม่โลภ ก, ก็จะไม่โกรธเมื่อใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจก็จะมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ นี่แหละคือใจของพ่อพระธเจา้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายจะเป็นใจแบบนี้เป็นใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความโลภความโกรธความหลง ก, ก็จะไม่มีการไปเกิดที่ไปเกิดพอมีความโลภยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญเวลาตายไปต้องจากลาบยศสรรเสริญไปก็ยังมีความโลภอยู่ พอออกจากร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อเพราะยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญต่อไปแต่พอไม่มีความโลภแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปก็ไปจะอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราคิดว่าสวรรค์ชั้นเทพนี้ดีขนาดไหนเราต้องเปรียบเทียบ ว, ว่าสวรรค์นิพพานนี้ดีกว่าายหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปไม่มีวันที่จะต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับสวรรค์ชั้นเทพเหมือนกับสวรรค์ชั้นพรหมอีกนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับคือการเจริญและความสุขที่เราจะได้รับทางด้านจิตใจที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับ ความสุขความเจริญทางร่างกายที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปต่อให้เป็นมหาเศรษฐีระดับกี่แสนล้านก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องตายจากมันไปต่อให้เป็นมหาจากักรพรรดิก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปความเป็นมหาจากักรพรรดิก็หมดไปต่อให้มีคนยมย่องสรรเสริญมากน้อยเพียงไร พอตายไปก็จะไม่ได้ยินการสรรเสริญิด ต, ต่อไปต่อให้มีความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้มากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปเพราะมันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเราอย่าไปหลงอยากได้เพราะความอยากได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆมาหามันอยู่เรื่อยๆ มาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในวันในภพนี้ชาตินี้ต่อไปเราก็ต้องแก่กันต้องเจ็บกันแล้วก็ต้องตายกันไม่ว่าเราจะรวยขนาดไหนจะใหญ่โตขนาดไหนก็ตามก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้วิธีที่จะหนีพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่กลับมาเกิด จะกไม่จะไม่กลับมาเกิดก็ต้องไม่มีความโลภจะไม่มีความโลภ ก, ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพบอพทเจ้าทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทำได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแต่ไม่ได้หายไปไหนเรายังมีอยู่เหมือนเดิมความรู้สึกนึกคิดของเรายังมีอยู่ เพียงแต่ว่าไม่มีความทุกข์อยู่ในความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่ความรู้สึกนึกคิดของเรานี้มักจะมีความทุกข์ติดมาด้วยคิดถึงหนี้ก็ทุกข์แล้วคิดถึงสามีคิดถึงแฟนจะไปเที่ยวไปแอบมีหนูก็ทุกข์แล้วนี่คือความรู้สึกนึกคิดของพวกเราคิดด้วยความหลงคิดด้วยความโลภคิดด้วยความอยาก จึงทำให้เรามีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้แล้วเราจะมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่มีแต่ความสุขเพราะเราจะไม่คิดโลภคิดอยากได้อะไรแฟนอยากจะไปอยู่กับใครก็ปล่อยเขาไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะมีมากมีน้อยจะหายไปมากหายไปน้อยก็จะไม่เดือดร้อน ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุก์กับมันนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือหมั่นมาวัดอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันพระเพื่อที่จะได้มาเติมบุญมาเติมน้ามันมาเติมลมมาเติมอาหารให้แก่รถกับคนขับ เพื่อที่เราจะได้ขับรถคือใจของเรานี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกสร้างไว้รอให้พวกเราหมือกันพอเราขับรถไปถึงเราก็เข้าไปอยู่บ้านนี้ได้เลยบ้านนี้ถ้าเปรียบเทียบกับที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันนี้ก็คือโรงแรมห้าดาวนี่ขับรถไปเลยไปถึงโรงแรมก็จะมีคนมาบริการ ตั้งแต่เปิดประตูรถลงมาขนข้าวขนของพาเราเดินขึ้นไปถึงห้องพักต้องการอะไรก็สั่งได้ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละคือบ้านที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้ให้กับพวกเราขอให้พวกเราหมั่นมาทำบุญกันอยู่เรื่อยๆมาทำบุญมาล้างบาปมาชำระใจให้สะอาดแล้วเราก็จะได้เดินทางถึงบ้านหลังนี้อย่างแน่นอน ขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันพระมาทามาละบากมาชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไววเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัย